50 languages. ยี่ในโรงแรมการร้องเรียนโฮเทลมือเรีดกันักบัวใช้งานไม่ได้ s เวอร์เวเลสย่ิลเลไม่มีน้อุ่น ทันทีสูดออกก็ยังไคุณมาซอมมันได้ไหมคะนี ங ง க ள ்อ த ை ப ย์พுดูพอร์ตส์เสรียก็มุดยุ่มะในห้องไม่มีโทรศัพท์ அ ะை ய ยิล த ท ல ை ப ே ச ป இ ல ்ิยัในห้องไม่มีโทรทัศน์ அ ะை ய ยิล த ท ல ைลขคอชีทีวีวิชนยห้องไม่มีระเบียง அ าร ย, ย, ย์ยูด์เสริมดா ல ் க ลค์กันนี่เห้องนี้เสียงดังเกินไปอราร ம ி க ีกมุมสัตตมุลลดาห์ยิริกิรดิห้องนี้เล็กเกินไป அ ர รย์มีுมุมซีรียดาห க ยิริกิห้องนี้มืดเกินไปอราร ம ி க ีกมุมยิรุตตาห์ยิริกิรด เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน Heater เวเล่ ய ซียวิเลยเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน Air conditioner well, เวเล่เซียวิเลยโทรทัศน์ไม่ทำงาน Television เวเล่เซียวิเลยดิฉันไม่ชอบเลย எனக்கு இது பிடிக்கவில்லை มันแพงเกินไปอดมิกวุมบิลายวยาิ่งเดาดาวให้ิ่งขึนรดคุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะุงกลิดัมอิดาอีบิดะมาลีวาห์ยึดุมยิ่งขึ ร, รดาที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะอิงกอริคิยึดดุมอีไลยนย์บิดด์ติยิ่งขึ้นรดา มี bed and breakfast ใกล้ที่นี่มีไหมคะยังไงเราไปเยี่ยม lodge guesthouse ริมเขื่อดมีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะมาายังไงเราไปเยี่ยมโรงแรมริมเขื่อนด้